ภาวิศีข้อที่สองภาวิศีลมีศีลที่ได้พัฒนาแล้วในด้านความประพฤติทั่วไปที่เรียกว่าศีลมีคำกล่าวแสดงลักษณะของผู้บรรลุนิพพานแล้วไม่สู่บ่อยครั้งนักทั้งนี้เพราะตามหลักศีลเป็นสิกขาหรือการศึกษาขั้นต้นพระอริยบุคคล ย่อมเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ชั้นโสดาบันและเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ผู้เข้าถึงนิพพานบรรลกุก็เป็นภาวะที่ทำให้ความทุศีลหรือความประพฤติเสียหายไม่มีเหลือต่อไปโดยในยักดังกล่าวมาข้อที่ควรพิจารณาหน้าที่นี้จึงเหลือจำกัดเพียงข้อที่ว่าพระอรหันต์ดำเนินชีวิตอย่างไร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 โดยมีอวิชชาตันหาอุปาทานครอบงำหรือชักจูงใจแต่ทำด้วยจิตที่เป็นอิสระมีปัญญารู้แจ้งชัดตามเหตุผลเลิกทำการอย่างปุถุชนเปลี่ยนเป็นทำอย่างอาริยชนคือไม่ทำการด้วยความยึดมั่นในความดีความชั่วที่เกี่ยวกับตัวของฉันผลประโยชน์ของฉันที่จะให้ฉันได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีความปรารถนาเพื่อัวตนเคลือบแฝงอยู่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 เราหมดโลภะโทสะโมหะที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้ทำความชั่วเสียแล้วอย่างไรก็ดีบางคราวมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าตามปกติคนเราจะทำอะไรได้จะต้องมีแรงจูงใจในการกระทาและแกนสำคัญของแรงจูงใจทั้งหลายก็คือความปรารถนาความต้องการซึ่งควรจะรวมอยู่ในคำว่าตัณหา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 หรือเรียกได้ว่าเป็นแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปัญญาดังที่จะพูดต่อไปคนย้ําวาอีกว่าเมื่อมีการไม่กระทำสิ่งที่ควรทำเช่นนักเรียนไม่สนใจบทเรียนหรือคนไม่ช่วยเหลือกันเป็นต้นไม่พึงคำนึงถึงแต่เพียงการขาดแรงจูงใจที่จะให้กระทำเท่านั้น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 ตามที่พูดนั้นจะเห็นทํานองว่าสองอย่างนั้นเป็นแรงจูงใจที่ตรงข้ามกันเรื่องนี้ที่จริงจากธิบ่ายเป็นหัวข้อใหญ่อย่างหนึ่งข้างหน้าแต่ตรงนี้มีเรื่องเกี่ยวข้องเข้ามาก็ควรทําความเข้าใจเป็นพื้นไว้เล็กน้อยถ้าพูดอย่างง่ายๆในที่นี้เรามีแรงจูงใจสองอย่างคือแรงจูงใจแบบตันหา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 ก็แสดงออกเป็นความอยากความต้องการให้บุคคลนั้นๆดีงามสมบูรณ์แข็งแรงสดใสน่าชื่นชมมีความสุขตลอดจนอย่างให้เขาดำรงอยู่ในภาวะแห่งความถูกต้องสมควรเป็นธรรมไม่มีความบวกร่องผิดพลาดยิ่งกว่านั้นเนื่องจากท่านให้ความสำคัญแก่คนเป็นพิเศษฉันท้าต่อคนก็แยกขยายออกไปตามสถานการณ์ เป็นเมตตาที่ปรารถนาดีอย่างให้เขามีความสุขในยามปกติเป็นกรุณาที่ว่าในคราวเขาตกตามเดือดร้อนก็อยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์ภัยพ้นปัญหาเป็นมุทิตาที่ปรารถนาดีอยากส่งเสริมให้เขามีความดีงามมีความสุขความสาเร็จยิ่งขึ้นไปและเป็นอุเบกขา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 จึงขับดันให้แรงแห่งชันทะในข้อกรุณาแสดงออกมาเต็มที่ดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายมีกรุณาเป็นพระคุณข้อสำคัญอธิบายได้ง่ายๆว่าเทียบจากคนที่มีมนุษยธรรมทั่วไปกรุณานี้เกิดขึ้นมาได้เองเมื่อเราประสบพบเห็นคนอื่นที่กำลังมีปัญหาถูกความทุกข์บีบคั้น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 ซึ่งเรียกว่าการุณาอย่างนี้เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญแห่งชีวิตของท่านผู้ถึงนิพพานแล้วซึ่งไม่มีตัวตนดใดๆของตัวเองเหลือไว้ในความยึดถือที่จะต้องสนองอีกต่อไปเท่าที <conducted> ่กล <th> ่าวมาเป็นอันสรุปได้ว่าการุณาเป็นผลสืบเนื่องจากปัญญา และความมีจิตใจเป็นอิสระปัญญาในที่นี้มีคำเรียกจำเพาะว่าวิชาและความมีจิตใจเป็นอิสระก็มีคำเรียกจฉเพาะว่าวิมุตติหรือมักนิยมอ่านสั้นๆว่าวิมุตจัดลำดับเข้าชุดเป็นวิชาความรู้เท่าทันสภาวะซึ่งทำให้อัตตาไม่มีที่ตั้งอาศัย วิมุตติความหลุดพ้นปลอดโปรง่งโล่งเป็นอิสระและกรุณาความรู้สึกแผ่ออกของจิตใจที่ไวต่อและไวตามทุกของสัตว์ต้องการช่วยปลดเปลื้องให้ผู้อื่นหลุดพ้นเป็นอิสระสมอย่างที่กล่าวนั้นเป็นคู่ปรับตรงข้ามกับอวิชชาความไม่รู้เท่าทันตามสภาวะ ที่ทาให้เกิดมีอัตตาขึ้นมาเป็นที่คล้องขัดตัณหาความอยากที่จะให้อัตตาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาการที่จะสนองความขาดร่องของอัตตาหรือหล่อเลี้ยงเสริมขยายอัตตนั้นและอุปาทานความยึดติดเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นกับสิ่งหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งในไม่เห็นไปว่า สิ่งหรือภาวะนั้นมีความหมายสำคัญต่อการสนองอัตตาหรือความยิ่งใหญ่เข้มแข็งมั่นคงของอัตตาผู้บรรลุนิพพานละอวิชชาตัญหาอุปาทานแล้วจึงมีปัญญาเป็นเครื่องนำทางบอกทางและมีกรุณาเป็นแรงจูงใจในการกระทากิจสืบไปโดยในยะานี้จะเห็นได้ว่า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 กลับเห็นไปว่าเป็นประโยชน์โดยปรากฏออกมาในรูปของราคะโทสะโมหะที่ครอบงาใจเสบ้างในรูปของนิวรห้ที่กำบังขวางกั้นการทำงานของจิตใจเสบ้างต่อเมื่อปราศจากกิเลสเหล่านั้นแล้วจิตใจจึงจะราบเรียบผ่องใสมองเห็นแล้วรู้จักตัวประโยชน์ที่แท้จริง เหตุผลขั้นสุดท้ายที่ทาให้ผู้ถึงนิพพานแล้วไม่ต้องคำนึงประโยชน์ของตนเองหรือห่วงใยเรื่องของตนเองสามารถทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นหรือบาเพ็ญกิจแห่งกรุณาได้เต็มที่ <c oughs> ก็เพราะเป็นผู้ทำประโยชน์ตนเสร็จสิ้นแล้วพระอระหันมีคุณบทคือคำแสดงคุณลักษณะว่าอนุปปตสะสัทถแปล ว, ว่า ผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้วและกตตะกรณียะแล้ว่าผู้มีกิจที่จะต้องทำอันได้กระทาแล้วคือทำเรื่องของตัวเองเสร็จแล้วเมื่อทำอัตถะประโยชน์ของตนเรื่องของตนเสร็จแล้วเป็นผู้มีอัตตาอิตาสมบัติคือพรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยประโยชน์ของตนมีตน คือคุณสมบัติข้างในตัวที่พร้อมดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงใยเรื่องของตัวสามารถทำาป ร, รักถาคือประโยชน์ของผู้อื่นเรื่องของคนอื่นได้เต็มที่จึงดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยบาราหิตาปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นสืบไปเมื่อมีความพร้อมเป็นฐานอยู่อย่างนี้แล้วพระอรหันต จึงสามารถมีคุณลักษณะเป็นสัพพมิตรคือเป็นมิตรกับทุกคนสัพพสักขะเป็นเพื่อนกับทุกคนและสัพพภูตานุกรรมประกาะคือวังดีต่อสัพพสัตได้อย่างแท้จริงอันหนึ่งพึงทําความเข้าใจว่าคำว่าอัฏถะในที่นี้สะกดไว้สองแบบนะครับคืออัฏถะ สะกดด้วยออา่างไม่หันอากาศต่อเต่าถอถุงสระและอัตถะออา่างรอหันถอถุงคำว่าอัตถะหรือประโยชน์ในที่นี้มิได้หมายถึงผลประโยชน์อย่างที่มักเข้าใจกันแต่หมายถึงประโยชน์ที่เป็นแก่นสารของชีวิตหรือเรื่องที่เป็นสาระของชีวิตเป็นประโยชน์ของชีวิตเองไม่ใช่ประโยชน์ที่ตัวคนหรือตัวตนต้องการ แต่ที่แทบบ่อยครั้งเป็นโทษแก่ชีวิตเช่นคนบอกว่าตนได้กินอร่อยแต่ชีวิตแทบย่อยยับดับไปคำว่าอัตถะหรือประโยชน์ในที่นี้หมายถึงประโยชน์ที่เป็นแก่นสารของชีวิตหรือเรื่องที่เป็นสาระของชีวิตเป็นประโยชน์ของชีวิตเองโดยเฉพาะคุณสมบัติต่างๆซึ่งทำให้ชีวิตเจริญงอกงามทำให้เป็นคนที่เติบโตแล้วในความหมายที่แท้จริง เป็นผู้มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเป็นคนพึ่งตัวได้โดยสาระมุ่งเอาความเติบโตทางปัญญาพร้อมด้วยคุณธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องและความเป็นอิสระหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของอวิชชาตันหาอุปาทานที่กล่าวมาแล้วนั่นเองถึงตอนนี้อาจพิจารณาภาวะด้านการดำเนินชีวิตของผู้มรรลุนิพพานแล้ว โดยแยกเป็นสองอย่างคือการทากิจหรือการงานอย่างหนึ่งและกิจกรรมเนื่องด้วยชีวิตส่วนตัวอย่างหนึ่งในด้านการงานหรือการทากิจนั้นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้หลุดแล้วจากบ่วงไม่มีอะไรจะหน่วงรั้งให้พะวงยอมอยู่ในฐานะเป็นสาวกชั้นนำซึ่งจะทำหน้าที่ของพุทธสาวกได้ดีที่สุดบริบูรณ์ที่สุด ลักษณะการทำกิจการงานของพุทธสาวกนั้นก็มีบ่งชัิอยู่แล้วในคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสยำ้ำเริ่มต้นแต่ทรงท่งสาวกออกประกาศพระศาสนาในพรรษาแรกแห่งพุทธกิจคือพหูชนะฮิตายะพะหูชนะสุขายะทำเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนโลกานุกรรมปายะเพื่อเกื้อกาวรุ่นแก่ชาวโลกอัทายะิตายะสุขายะ เทวมนุษย์สางเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวและมนุษย์ทั้งหลายความข้อนี้ถือเป็นวัตถุประสงค์สําคัญของกรุงมจันหรือพระศาสนานี้เป็นหลักวัดความประพฤติปฏิบัติของภิกษุสาวกและเป็นคุณประโยชน์ที่พึงเกิดมีจากบุคคลที่ถือว่าเลิศหรือประเสริฐตามคําสอนของพระพุทธศาสนาดังนั้น จึงเป็นข้อคำนึงประจำในการบำเพ็ญกิจและทำการงานของพุทธสาวกเนื่องด้วยประโยชน์หรืออัตถะมีความหมายดังเด็กล่าวแล้วข้างต้นดังนั้นกิจหรืองานหลักของผู้บรรลุนิพพานแล้วจึงได้แก่การแนะนำสั่งสอนการให้ความรู้การส่งเสริมสติปัญญาและคุณธรรมต่างๆตลอดจนการดำเนินชีวิตและประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง ในทางที่มีความสุขมีคุณธรรมและเป็นชีวิตที่ดีงามซึ่งคนภายหลังจะถือเป็นทิฏฐานุคติคือเดินตามแบบอย่างที่ได้เห็นโดยเฉพาะการแนะนำสั่งสอนให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อื่นนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่หรือสิ่งที่พึงต้องทำสำหรับผู้บรรลุนิพพานแล้ว ในด้านการดำเนินชีวิตส่วนตัวก็มีหลักคล้ายกับการทากิจการงานคือมุ่งประโยชน์แก่ผูหูชนแม้ว่าพระอระหันต์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจเสร็จแล้วข้อปฏิบัติต่างๆที่เคยต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานเมื่อท่านบรรลุนิพพานแล้วจะเลิกเสียไม่ปฏิบัติต่อไปก็ยอมได้แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อเป็นการสมเหตุสมผล ท่านก็ปฏิบัติต่อไปอย่างเดิมทั้งนี้ในด้านส่วนตัวเพื่อความอยู่สบายในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐธรรมมาสุขาวิหารและในด้านที่เกี่ยวกับผู้อื่นเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนที่จะเกิดตามมาภายหลังคือปัชิมาชนะตานุกรรมปาเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีที่ชนภายหลังจะได้ถือปฏิบัติตามคือทิฏฐานุคติ เช่นในกรณีที่พระพุทธเจ้าทรงเสพเสนาสนะในราวป่าและพระมหากัสปะเทระถือทุดงเป็นต้นแม้แต่บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ในหมู่ซึ่งอาจจะยังมิได้บรรลุนิพพานก็ยังมีคำย้ำอยู่เสมอให้คำนึงถึงการประพฤติตัวเป็นแบบอย่างสำหรับชุมชนรุ่นหลังดังนั้นสำหรับพระอรหันต์ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างสูงสุดอยู่แล้ว ความคำานึงหรือความรับผิด ช, ชอบในเรื่องนี้จึงควรจะต้องมีเป็นพิเศษและพึงสังเกตว่าสิกขาบทคือกฎข้อบังคับทางพระวินัยบางข้อซึ่งมีใช่เป็นเรื่องของความผิด ช, ชั่วร้ายแต่บัญญัติขึ้นเพราะถือเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมโดยคำหนึ่งถึงชุมชนรุ่นหลังก็มีรวมความว่า การดำเนินชีวิตของพระอระหันต์ทั้งด้านกิจการงานและความประพฤติส่วนตัวมุ่งเพื่อประโยชน์สุขของหูชนและคำนึงถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชุมชนรุ่นหลังซึ่งเป็นเรื่องของการบำเพ็ญประรัตถะหรือประหิตรปฏิบัติสอดคล้องกับคุณธรรมคือความการุณาที่เป็นแรงจูงใจอย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้แจกแจงรายละเอียดชัดเจนลงไปว่าพระอระหันต์ได้ทำงานอะไรหรืองานชนิดใดบ้างด้วยตัวอย่างจากชีวประวัติของพุทธสาวกครั้งพุทธกาลเพื่อจะใช้เป็นเครื่องศึกษาว่าผู้บรรลุนิพพานแล้วมีขอบเขตกิจกรรมแค่ไหนเพียงใดมีลักษณะาการงานที่ทำต่างจากคนสามัญอย่างไรรายละเอียดถึงขั้นนี้ยากที่จะหาได้ครบถ้วนจะต้องเก็บรวบรวมเอาจากเรื่องราว ที่กระจายแทรกอยู่กับคำสอนบ้างบทบัญญัติทางพระวินัยบ้างเรื่องเล่าในคำภีชั้นหลังๆบ้างถึงอย่างนี้ก็ไม่บริบูรณ์เพราะคำภีทั้งหลายเน้นคำสอนหรือคำอธิบายเนื้อหาธรรมวินยัยแม้เรื่องเล่าต่างๆก็มุ่งที่เกี่ยวกับธรรมวินัยโดยตรงหรือมุ่งสอนธรรมะแม้แต่เรื่องเอตทัคคะคือระสาวก ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านนั้นๆที่พระอัฏฐกถาจารย์ถือเป็นการแต่งตั้งหรือสถาปนาฐานนันดอนซึ่งมีรายชื่อพระอาหารหันรวมอยู่มากก็เป็นแต่เพียงการประกาศยกย่องความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของสาวกบางท่านบ้างจุดเด่นหรือข้อแตกต่างพิเศษอันเป็นที่เรื่องลือรู้กันทั่วไปเกี่ยวกับพระสาวกบางท่าน ซึ่งพระพุทธเจ้าเพียงแต่ทรงยกขึ้นมาตรัสในที่ประชุมบ้างหรือถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่การงานก็มีเฉพาะกรณีที่ทำหน้าที่นั้นได้ดีเด่ยนยอดเยี่ยมเช่นพระทัพพระมละบตทเป็นเอตัทัคคะในบรรดาเสนาสนะปัญญาประกะศคือผู้จัดแจงเสนาสนะเป็นต้นแต่ไม่มีผู้เป็นเอตัทัคคะในบรรดาพัตุเทศคือผู้แจกกิจนิมนต์ฉัน ชิวระพาชกะผู้แจกจีวรนนวกรรมมิกะผู้อำนวยการก่อสร้างเป็นต้นซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่สงแต่งตั้งตามพระวินัยเช่นเดียวกันพระอระหันต์ที่ได้รับยกย่องมีคุณสมบัติเป็นเอตตัทัคคายนรายชื่อนั้นอาจมีกิจที่ท่านกระทําเป็นประจาของท่านอีกต่างหากซึ่งคุณสมบัติที่ได้รับยกย่อง เป็นเพียงเครื่องเสริมการทากิจนั้นก็ได้นอกจากนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายของคำยกย่องเป็นเอตทัทคะนั่นเองบางคำซึ่งยังเข้าใจกันไม่ชัดเจนเพียงพออีกด้วยดังนั้นรายนามเอตทัทคะจึงยังไม่ตรงเรื่องพอที่จะแสดงประเภทและขอบเขตงานของพระอรหันต์ได้ แต่กระนั้นก็ตามในรายนามเอตตทักฆะเท่าที่มีอยู่นั่นเองก็จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติที่เป็นเอตตทักฆะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเทศนาสั่งสอนเสียหลายส่วนอาจกล่าวได้ว่างานเทศนาสั่งสอนแนะนำฝึกอบรมเพื่อการศึกษาของผู้อื่นเป็นกิจสำหรับผู้บรรลุนิพพานแล้วทุกท่านซึ่งจะพึงทำตามความสามารถ ส่วนกิจการและกิจกรรมอย่างอื่นแตกต่างกันไปตามพื้นเพกการศึกษาอบรมและตามธาตุคือความถนัดและอัธยาัยของแต่ละท่านสำหรับท่านที่สามารถในการอบรมสั่งสอนและได้รับความเคารพนับถือมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสมากเป็นอุปชาอาจารย์มีสิทธิ์มากนอกจากมีงานเทศนาสั่งสอนทั่วไปแล้ว ยังมีภาระต้องให้หมู่ศิษย์จำนวนมากศึกษาอีกด้วยดังจะเห็นได้ว่าพระมหาสาวกหลายท่านเวลาเดินทางคราวหนึ่งคราวหนึ่งมีภิกษุสงฆ์ติดตามเป็นหมู่ใหญ่การให้ศึกษาแก่ศิษย์เช่นนี้รวมไปถึงการให้ศึกษาแก่สามเณรด้วยดังเช่นพระสารีบุตรซึ่งมีเรื่องราวหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าท่านคงจะมีความสามารถมากในการฝึกอบรมเด็ก และคงมีสามเณรอยู่ในความดูแลมิใช่น้อยเมื่อพระราหุลจะบวชเป็นสามเณรพระพุทธเจ้าก็ส่งมอบให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาสามเณรเล็กอายุน้อยที่เป็นศิษย์พระสารีบุตรมีชื่อเสียงเก่งกล้าสามารถหลายรูปพระสารีบุตรเคยเดินบินทบาทไปพบเด็กกําพร้าอดโซเที่ยวเร่ร่อนหาเศษอาหารเก็บกินอย่างอนาถาก็สงสารชวนมาบวชเนร และให้ศึกษาธรรมวินัยเป็นตัวอย่างของการให้ทั้งการศึกษาและการสงเคราะห์แก่เด็กๆแม้พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสเตือนให้ใส่ใจความเป็นอยู่ของเด็กๆที่มาบวชไม่ให้ทออทิ้งในเมื่อมีผู้มาอยู่ในความดูแลให้ศึกษาเป็นหมู่ใหญ่ก็ย่อมเกิดมีกิจอีกอย่างหนึ่งคือการปกครองงานบริหารหรืองานปกครองนี้ ท่านถือเป็นกิจสำคัญอย่างหนึ่งเรียกสามัญก็คือท่านสอนที่มีความรู้สึกรับผิดชอบในงานปกครองอย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าการปกครองสงนี้เป็นงานที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาดังนั้นการปกครองสงจึงมีความหมายเป็นการให้ศึกษานั่นเองแต่เป็นการให้ศึกษาในขอบเขตที่กว้างขวางเพื่อฝึกคนพร้อมกันจานวนมาก และเพื่อทำสมาชิกทั้งหลายของหมู่ให้มีชีวิตเกื้อกูลแก่กันในการดำเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่ดีงามนอกจากความรับผิดชอบในงานเทศนาสั่งสอนการให้ศึกษาและการปกครองแล้วหลักฐานและเรื่องราวต่างๆเท่าที่ปรากฏในคำภีแสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์ได้ประพฤติเป็นตัวอย่าง ในการแสดงความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อกิจการของส่วนรวมและความเคารพส่์ซึ่งเป็นความสำนึกที่สำคัญในฐานะที่ระบบชุมชนของพระพุทธศาสนาถือสงคือส่วนรวมเป็นใหญ่และพระพุทธเจ้าก็สรงย้ำอยู่เสมอเกี่ยวกับความพร้อมเพรียงของหมู่ทั้งโดยคำสอนทั้งธรรมะเช่นหลักอปริหานิยธรรมการถือธรรมะเป็นใหญ่ และบทบัญญัติทางพระวินัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆเรื่องราวที่แสดงว่าพระอาหารหันต์เอาใจใส่และพึงเอาใจใส่รับผิด ช, ชอบต่อกิจการของส่วนรวมและเคารพสงนั้นมีมากมายเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้สงทำอุโบสถสวดปาฏิโมกสอบทานความบริสุทธิ์ของภิกษุรงทุกกึงเดือน พระมหากรบินาเทระได้เกิดความคิดขึ้นว่าท่านควรจะไปทำอุโบสถสังฆกรรมหรือไม่เพราะท่านเองเป็นพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์อย่างยอดยิ่งอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของท่านและได้เสด็จมาตรัสเตือนว่าถ้าท่านผู้เป็นปรามในที่นี้หมายถึงคือพระอรหันต์ไม่เคารพอุโบสถแล้วใครเล่าจะเคารพอุโบสถ จงไปทาอุโบสถสังฆกรรมเถิดพระทัพพาะมลบุทสำเร็จอรหัตผลตั้งแต่อายุยังน้อยท่านจึงมาคิดว่าเรานี้เกิดมาอายุเจ็ดปีก็ได้สำเร็จอรหัตผลแล้วสิ่งใดๆที่สาวกจะพึงบรรลุถึงเราก็ได้บรรลุหมดสิ้นแล้วกรณียะที่เราจะต้องทายิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มี หรือกรณียะที่เราทําเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลับมาสั่งสมอีกเราควรจะช่วยขวนขวายงานอะไรของสงดีหนอต่อมาท่านเกิดความคิดว่าเราควรจัดแจงเสนาสนะของสงและจัดแจกอาหารแก่สง์ครั้นแล้วท่านจึงไปกราบทูลความสมัครใจของท่านแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานสาธุการ แ ล, แล้วให้สงฆประชุมพิจารณาตกลงกันแต่งตั้งท่านเป็นพระเสนาสนะปัญญาปกะคือพระผู้จัดแจงที่พักอาศัยและพระพัตุเทศคือพระผู้จัดแจกอาหารเมื่อมีเรื่องราวที่อาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของการพระาศาสนาพระอรหันเทระจะควรขวายําเนินการอย่างเอาจิงเอาจัง เพื่อระ ง, งับเรื่องราวหรือจัดกิจการให้เสร็จเรียบร้อยทั้งที่ตามปกติท่านเหล่านั้นชอบอยู่สงบในที่วิเวกดังเช่นพระมหากัส ป, ปะเทระริเริ่มดำเนินการสังคยนาครั้งที่หนึ่งพระยาสักาการกัุเถุพระสามภูตาสานวาสีและพระเรวัตริเริ่มการสังคยนาครั้งที่สองเป็นต้น ในการสังคายนาครั้งที่หนึ่งภายหลังจบการประชุมเสร็จสังคกรรมในการสังคายนาแล้วพระเทราที่มาร่วมสังคายนาได้กล่าวว่าตำหนิพระอานนท์เกี่ยวกับความบวกพร่องบางอย่างของท่านในการทำหน้าที่พุทธอุปถาคแม้ว่าพระอานนท์จะมีเหตุผลบริบูรณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยไม่บวกพร่องแต่ท่านก็ยอมรับคำตำหนิของเราพระเทระ โดยได้ชี้แจงเหตุผลเหล่านั้นแก่สงอย่างชัดเจนเสียก่อนเมื่อพระสงฆ์ประชุมพิจารณาระงับอธิกรณ์ในล่าวสังคยนาครั้งที่สองพระอรหันตสองรูปมาเม่ทันประชุมพระเทระที่ประชุมก็ลงโทษทำทันทกรรมแก่ทั้งสองท่านโดยการมอบภารกิจบางอย่างให้ทาเมื่อครั้งพระเจ้ามีลิน กษัตริย์เชื้อสายกรีกในอินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือผู้ทรงปรีชาในหลักศาสนาและประชัชญาทรงท้าโตวาทะกับลัทธิศาสนาต่างๆทำให้วงการพระศาสนาสันสะเทือนมากพระอรหันเทระประชุมกันพิจารณาหาทางแก้ไขสถานการณ์มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อโรหนะไปเข้านิโรธสมาบาศเสียที่ภูเขาหิมาลายังไม่ทันทราบเรื่อง จึงไม่ได้ไปร่วมประชุมที่ประชุมก็ส่งทูตไปนิมนต์ท่านมาและลงโทษทำทันต ก, กรรมแก่ท่านโดยให้ท่านรับมอบภาระในการเอาตัวเด็กชายหน้าเกเะแนมาบวชในคำพีสมัยหลังต่อมาอีกก็มีเรื่องเล่าคล้ายกันเช่นเมื่อคราวที่คณะสงฆ์กำลังช่วยอุดหนุนพระเจ้าอโศกมหาราชในการทานุกบารุงพระศาสนา พระอรหันต์ชื่ออุปคุดปลีกตัวไปทำที่สงัดสวยสุขจากฌานสมาบัติเสียไม่ทราบเรื่องที่ประชุมสงก็ส่งพระภิกษุไปตามท่านมาแล้วทำทันต ก, กรรมลงโทษท่านในข้อที่ท่านไปหาความสบายผู้เดียวไม่อยู่ในสามัคคีสง์และไม่เคารพสง์โดยให้รับภาระดูแลคุ้มกันงานสมโพธ์มหาสถูว ข, ของพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งพระอุปคุด ก็รับภาระนั้นด้วยความเคารพต่อสงฆ์เรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องหลังๆจะมีรายละเอียดทองแท้แค่ไหนก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องแสดงอย่างชัดเจนว่าคติที่ถือว่าพระอรหันต์เป็นตัวอย่างความประพฤติเกี่ยวกับการเคารพสงฆ์และเอาใจใส่ต่อกิจการของส่วนรวมเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมาในพระพุทธศาสนา เหตุผลที่เป็นข้อปรารภหรือจะเรียกว่าเป็นแรงจูงใจก็ได้สำหรับการกระทำเหล่านี้ก็อย่างเดียวกับที่กล่าวมาแล้วแต่ต้นคือเพื่อให้การครองชีวิตประเสริฐโรงมรรจัน์คือพระศาสนานี้ยั่งยืนดำรงอยู่ชั่วการนานเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย